กำลังพร้อมทุกท่านนะก่อนนี้ก็ต้องขอโมทนาที่ทุกท่านได้มาทําสิ่งดีๆในเช้า ว, วันนี้เชาวว้าวันเสารหลายคนก็มุ่งหน้าไปเที่ยวนะไปกินอาหารดีๆในตอนเที่ยงหรือว่าไปดูหนังในตอนค่ำแต่ว่าเช้าที่เรามาทําสิ่งดีๆก็คือมา ร่วมกันและฟังถับเป็นโอกาสให้ได้พบปะ ก, กันทั้งมิรสหายในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ผู้คนที่อยู่คนละที่คนละแห่งก็ได้มาพบปะ ก, กันได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาฟังถับซึ่งเป็นสิ่งดีมีคุณค่าวันนี้เนี่ยสังเกตดู เรียกว่าทุกท่านเลยก็ว่าได้นะก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะใส่เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะเป็นวันหยุดสาหรับหลายท่านแล้วก็เป็นอากาศก็ยังเช้าอยู่นะในห้องก็อากาศก็สบาย อะไรก็ตามเนี่ยวันเสาร์เนี่ยหรือวันหยุดเนี่ยมนไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ยังหยุดอยู่นะแต่ว่าวันจันทร์ก็ต้องทำงานอากาศมันก็ไม่ได้สบายอย่างตอนนี้ตลอดเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเริ่มร้อน แดดจะแรงร้อนเปรี้ยงหรือมิฉะนั้นก็ฝนตกนะเดินทางก็คลุกครับในความสิ่งดีๆที่เราได้ประสบนะในขนาดนี้เนี่ยมันไม่เคยอยู่คงที่เลยไม่ช้าไม่นาคก็แปรเปลี่ยนไป จากวันถึงก็กลายเป็นวันที่ต้องไปทา ง, งานจากวันที่เราพักผ่อนสบายๆนะก็ต้องมาเจองานมาเจองานที่ชวนให้หน้าดำท่ำเคร่งมันก็เหมือนกับที่คนเรานะในภาพรวมคือว่าเราปรารถนาความสุข แต่ว่าความสุขที่เราปรารถนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาตอนที่เรามีความสุขเพราะว่าได้เจอสิ่งสมหวังได้พบสิ่งที่ทำให้สบายใจแต่ว่า ไม่ใช่ไม่นานเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราคนที่พูดไม่ถูกหูเราอากาศที่ไม่เป็นดังใจเสร็จแล้วเราก็เลยเกิดความเครียดเกิดความวิตกวเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราทุกคนปรารถนาความสุขแต่ว่าความสุขมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาอย่างที่ธรรมาได้พูดไป เพราะว่าทุกอย่างรอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีบวกมีลบนะมีดีแล้วก็มีร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะปรารสนาความสุขยังไงเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นความทุกข์นะหนีไม่พ้นความไม่สมหวัง แล้วเราจะอยู่กับไอ้ความพันควลแปลกคลุนหรือความไม่สมหวังอย่างไรความทุกเนี่ยเป็นธรรมดาของชีวิตความทุกในที่นี้ก็มีตั้งแต่อากาศร้อนฝนตกที่ทำให้หงุดหงิดรถติดหรือว่าข้อความทางโซเชียลมีเดียที่ ไม่ถูกใจเราอาจจะรวมถึกความเจอความป่วยงานการไม่สำเร็จเจอคนที่พูดต่อว่าด่าทอเราพูดรวมๆนะก็คือการที่เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจและต้องพัดพลาคจากสิ่งที่รักที่พอใจ อันนี้ใครที่ทําวัดสวดมนต์บ่อยๆจะคุ้นกับประโยคนี้นะเพราะว่าทุกตอนทำวัดเช้าเนี่ยจะมีประโยคนหนึ่งสองประโยคว่าปีเยหีวิประโยโคทุกโขความพัดพราดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อภิเยหีสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เช่นเงินหายของหายตกงาน หรือว่าที่หนักกวนั้นคือคนรักร่วมหายตายจากไปอย่างเมื่อช้านี้พิธีกรก็ก็ประสบกับสิ่งที่เรียก ว, ว่าพัดพราดญาติผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตถ้าไม่ พ, พัดพลาจากสิ่งที่เราที่พอใจก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอุปสรรคความล้มเหลว อย่างเบาๆก็อย่างเบาๆก็อาหารที่ไม่อร่อยนะรถติดนะความต่อว่าด่าทอถ้าหนักกว่านั้นก็ความเจ็บความป่วยนะรวมไปถึงแด้ทั้งความตาย น, นี่คือความจริงชีวิตที่เราหนีไม่พ้นพุทธศาสนาเรื่องรวมรวม ร, ว, มร ว, มว่าความทุกข์ แต่จำเป็นหรือเปล่านะว่าเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทุกข์ใจตามไปด้วยเงินหายโทรศัพท์เสียจำเป็นไหมนะที่เราจะต้องร้อนอกร้อนใจไปด้วย รถติดแล้วเนี่ยนะจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องจิตตกไปทุกครั้งป่วยกายจาเป็นม้มที่เราต้องป่วยใจทุกใจไปด้วยถ้าเราปล่อยให้ป่วยกายและป่วยใจเสียของแล้วก็เสียใจด้วยรถติดไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่เสียอารมณ์ อย่างนี้เรียกว่าเรากำลังซ้าเติมตัวเองแทนที่จะเสียหนึ่งก็เสียสองแทนที่จะป่วยหนึ่งก็ป่วยสองแทนที่จะทุกข์แค่นหนึ่งก็ทุกข์สองคนทุกวันนี้เนี่ยเราต่อซ้าเติมตัวเองนะเราบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าเราซ้าเติมตัวเองเป็นประจำ ตัวอย่างที่จะมาพูดมาเนี่ยคือป่วยกายแล้วเนี่ยก็ปลอยหรื อ, อป่วยใจไปด้วยเรากำลังซ้ําเติมตัวเสียของแล้วเนี่ยนะเราก็เสียใจเรากำลังซ้ําเติมตัวหลายคนเงินหายโทรศัพท์หายรถหายนะก็ไม่ได้จุดแค่นั้น เสียใจอะไรอาวรณ์เครียดเสร็จแล้วเป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอะไรขึ้นตามมาก็ป่วยเสียสุขภาพหรืออาจจะไม่ถึงขั้นเสียสุขภาพนะแต่ว่าพอไปทำงานก็ทำงานไม่ได้ไม่มีสมาธิเสียงานเสร็จแล้วพออารมณ์ไม่ดี เพราะว่ามีความเสียใจความอาะไรอาวรภาษาชาวบ้านแล้วอารมณ์จอยเนี่ยพอมีเพื่อนมาแซวเพื่อนมามาหยอกเจ้าแต่ก็ก็หยอกกลับเจ้ากลับแต่คนที่กลับโปรด่ดาว่าเา้าเสียเพื่อนไปเลยบางทีเสียคนด้วยนะไม่ใช่แค่เสียใจไม่ใช่แค่เสียสุขภาพไม่ใช่แค่เสียงานไม่ใช่แค่เสียเพื่อนบางทีเสียคน ว่าเสียผู้เสียคนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่แพร่หลายก็จะคงทั่วโลกแล้วมั้งเพราะถ้าถึงถึงเครื่องอัตมาก็แสดงว่ามัคนคงไปไกลแล้วล่ะเพราะอัตมาป ก, กติก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ดูบ่อยเท่าไหร่ได้ออนไลน์บ่อยเท่าไหร่เป็นภาพผู้หญิงผู้ชายยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยชาวจีน เขาคงจะถ่ายจากกล้องวงจรปิดนในห้างสรระสินค้าผู้หญิงเนี่ยรบเร้าให้ผู้ชายเนี่ยซื้อ i p h o n น6สมัยนะั้นมัน p h โฟ e 6นะยังใหม่อยู่ผู้ชายซื้อก็ไม่เศรา้าเป็นแฟนเฉยๆแล้วเป็นสามีก็ไม่ซื้อให้แกเสียใจแล้วแกโกรธนะแกว่าวรแกต่อว่าผู้ชายก็ไม่สนใจ จกก็เลยไม่รู้ว่าแกประท้วงหรือว่าแกทำด้วยอาการลืมตัวแต่สองอย่างก็เหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่แกทำก็คือว่าแกเลื่อนถอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงในแล้วก็ยืนเปย์กายตงั้นนะทำนองมันก็ว่าจะทำให้ผู้ชายได้แอบอายหรือเพื่อจะเอาชนะผู้ชายก็ไม่สนใจผู้ชายก็เดินหนีผู้หญิงก็เดินตาม ไม่รู้แกรู้ตัวว่าตอนนั้นนแกเดินเปลยนะจงกระ่ากต้องมีอา ม, ม่าคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็เลยหยิบเสื้อเนี่ยให้ผิงคนนี้แล้วก็คงพูดเตือนสติก็คงได้ผลนะเพราะผิวนี้แกก็เริ่มกลับมาใส่เสื้อ จะรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยมันมีการถ่ายภาพเนี่ยแล้วกระจายไปทั่วจีนแล้วก็คงทั่วโลกก็คงจะเสียภาพลักษณ์นะหรือภาษาชาวาละเสียผู้เสียคนเพราะว่าคนก็จะนินทาต่อว่าเยอะหยัออยนะคือพอไม่ได้เครื่องเนี่ยแทนที่จะไม่ได้เครื่อง โทรศัพท์ ม, มือถือเนี่ยแทนที่จะเสียเครื่องก็ปราก็เสียเงินตามไปด้วยนี่เรียกว่าทำร้ายตัวเองซ้ำเติมตัวเองคนเราเนี่ยพอเวลาเจอทุกเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่คาดฝันหรือไม่อยากให้เกิดถ้าเราฉลาดเนี่ยนะเราจะรับมือกับมันได้ถูกเราจะไม่ทำให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้น อย่างเช่นรถติดเนี่ยนะมันเสียเวลาใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ให้เสียมากกว่า น, นั้นเสียเวลาก็จริงแต่ว่าจิตเราปกติแต่คนส่วนให ญ, ญ่เป็นไงพอรถติดนะไม่ไม่ใช่แค่เสียเวลาเราปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านจนเสียอารมณ์คิดปรุงแต่งไปแล้วว่าถ้ารถติดเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปประชุมสายนะเดี๋ยวจะจะไปไปเจอลูกค้าไม่ทันเวลาเดี๋ยวจะตกเครื่องบินถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดและเกิดขึ้นแน่ไหมยังไม่รู้เพราะว่าอาจจะไปถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงเวลาถึงตามเวลาก็ได้โยมคงเคยใช่ไหมกลัวว่าจะตกเครื่องบินนะแต่พอไปถึงสนามบินเนี่ยมีเวลาเหลือเฟือนะสามารถนั่งเครื่องบินได้ตามเวลา ถึงแว่าตอนแรกมันรถติดมากเรียกว่าทุกฟรีพี่ตกฟรีแล้วใครเดือดร้อนเราเองเดือดร้อนนะนี่เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองเพ็เกี่ยวข้องกับทุกไม่เป็นและเวลาพอเจอทุกเนี่ยเราเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเราก็แย่แล้วเพียงแค่รู้ว่าเรา เป็นแคหมอบอกว่าเราเนี่ยนะมีโรคร้ายเ น, เนื้อเนื้อเยื่อเนี่ยตรวจแล้วนี่ไม่ดีสงสัยจะเป็นมะเร็งบางที่หมอบอกเขาบอกเขาว่าแค่สงสัยนีเนี่ยจริงๆเราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนะยังใช้ชีวิตตามปกติได้แต่พอรู้เข้านี่หลายคนสุดเลยนะ กินไม่ได้นอนไม่หลับอาการหนักกว่าคนที่เป็นมะเร็งขั้นที่สามขั้นที่สี่ที่เขาทบใจยอมรับได้คุณป้าคนหนึ่งแกก็ป่วยแล้วแกเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งก็ไม่ทราบเป็นอะไรจนกระทั่งวันนึงหมอบอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือน คือมะเร็งมารยะที่สี่แล้วละ่ะแกช็อกเลยนะตกใจกลับไปบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยากไม่มีชีวิตชีวาเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจเราก็อยู่ได้แค่สิบสองวันแกก็ตายถามว่าแกตายเพราะมะเร็งรึเปล่ามะเร็งมันไม่รามเร็วขนาดนั้นสิบสองวันหมอให้เวลาสามเดือนบางคนอยู่ได้สามปี แต่มารู้จักคนอยู่ได้ตั้งหปีนะมะเร็งตับเนี่ยทั้งที่หมอก็าอยู่ได้ไม่นานแต่ที่ตายเลยเพราะอะไรเพราะความคิดนะเพราะว่าจิตกลุงแต่งถึงอนาคตถึงความตายที่ยังไม่เกิดถึงความเจ็บความปวดถึงลลกถึงหลานว่าถ้าเราตายก็จะอยู่ยังไงนะห่วงน่นห่วงนี่สุดท้ายตัวเองตายเร็วกว่าที่หมอพยากร นี่เรียกว่าทำร้ายตัวเองนี่เราซำเติมตัวเองเพราะเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่ถูกกินความทุกข์นี่มีประโยชน์นะฮะความทุกข์นี่มีประโยชน์หลายคนชิดเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปในทางดีเพราะเจอความทุกข์ช่วงเสศรษฐกิจตกต่ำเนี่ย เมื่อปี40เนี่ยหลายคนล้มละลายถูกยึดบ้านยึดรถเคยมีเงินเดือนเป็นแสนรอกกัว่าเงินเดือนหายว่าไปกับตาเป็นหนี้หลายสิบล้านหลายคนเนี่ยทำใจไม่ได้ก็ค่าตัวตาย ที่จริงก็ยังกินอิ่มนอนอุ่นได้นะถึงแม้ลบละลายเนี่ยยังมีกินยังมีนอนร่างกายไม่เจ็ไม่ป่วยแต่ว่าพอเขาคิดปรุงแต่งไปฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่มีรถเบนซ์ไม่มีรถขับต้องนั่งรถเมย์หรือนั่งแท็กซี่บ้านที่เคยรูก็ถูกยึดนะต้องอยู่บ้านเช่าบางทีมันยังไม่ทันเกิดแต่พอคิดไปเนี่ยทนไม่ไหว กลุ้มใจข่าตัวตายแต่ก็มีหลายคนนะแม้จะทุกข์นะแต่ว่าพอไม่มีทางออกนะก็ออกหันไปหาธรรมะทั้งมีทั้งชาติไม่เคยสนใจธรรมะเลยแต่ว่าพอไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรมันจนตรอกแล้วมีคนชวนไปปฏิบัติธรรมเพื่อตอมาหลายคนนะ ไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าถูกความทุกข์มันผลนะรอกว่าเขาเจอชีิตใหม่แล้วก็เขาก็ะันหลังให้ธุรกิจไปเลยหรือว่าก็ทำแต่พอประมาณแล้วทำยังมีความสุขหันะมาสนใจธรรมะแล้วก็ชีวิตเขาก็ดีขึ้นดีขึ้น บางคนเ็บอกว่าขอบคุณนะวิกฤตเศรษฐกิจปีสีูนหลายคนเจอความเจ็บป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการแพทย์แผนหม่มันจะช่วยทำให้ความีชีวยยืนยาได้ไหม mm hmm. เกิดความวิตกกังวลกับความทุกข์ใจแล้วก็นึกถึงความตายขึ้นมาก็เลยหันเข้าหาธรรมะ เริ่มจากการอ่านสื่อธรรมะก่อน แ, แล้วก็อาจจะมีเจอข้อความอย่างที่ปิ๊งก็เลยลองไปปฏิบัติธรมรมพอปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมสบายปล่อยวางได้ถึงกับออกบากว่าเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณโรคมะเร็งบางคนวก็พว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะาถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่เจอธรรมะไม่เจอชีวิตใหม่เพราะว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยได้พบความสุข แต่ก่อนคิดแต่ว่าความสุขก็คือการมีการได้การครอบครองการเสพคนส่วนให ญ, ญ่ไปเที่ยความสุขมีแค่นั้นต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีเงินได้กินอกของอร่อยนะแต่ก็ว่าความสุขมันมีดีกว่านั้นความสุขที่ประเสริฐคือความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนะแต่ก่อนแม้จะมีกินมีใช้มีอะไรมากมายแต่จิตใจไม่เคยสงบเลย มันอยากได้เพิ่มอยากได้มากแล้วก็วิตกกังวลว่าของจะผู้แข่งก็จะล้าหน้าไปกลัววิตกกังวลจะได้ไม่ตามาต้ไปเอาหมดนะ่งบวกองอางพ่อาวิต ก, กจะไม่ได้ตามาั้งที่มีเงินเป็นร้อยล้านนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้จักปล่อยรู้จักวางใจสงบพอควบใจสงบได้เนี่ยโอ มันพิเศษมากเลยถึงก็ออกมาว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งมีเด็กคนหนึ่งนะอายุ21เป็นลิูคีเมียเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งนี้่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาหายได้ทุกคนนะที่ตายไปก็เยอะแกก็ทุกข์ยุดพักหนึ่งนะแต่ต่อหลังแกก็เริ่มยิ้มแย้มได้เพราะแกมองเห็นว่ามะเร็งเนี่ย มันนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตแกอย่างน้อยเนี่ยสามหรือสี่อย่างคือหนึ่งมันทำให้แกรู้จากพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาแต่ก่อนเนี่ยแกก็เหมือนกับเด็กทั่วไปก็เที่ยวพุทธศาสนาเป็นเรื่องพิธีกรรมนะํำคลึกงมง า, ายแต่พอป่วยเนี่ยไม่มีอะไรทํานอนเตียงคนให้นังสือมาหนังสือธรรมะก็ลองอ่านดู ก็เพราะว่าธรรมะนมันไม่ใช่อะไรที่คิดนะมันมีคุณค่ามากเลยก็อสองทําไม่ได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กจนโตนะเขากหมือนกันเด็กกลุ่มแท้ทั่วไปนะีคือว่าลูกกับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยใกล้ชิด ก, กันหรอกลูกไปเรียนหนังสือแต่ช้าพ่อก็ไปทํางานกลับบ้านก็ไม่เคยได้กินข้าวพร้อมหนะ้ายิ่ง เข้าหมหาชัยรยก็ไปไปอยู่ขอพักเพินหางเข้าไปใหญ่พอป่วยเนี่ยนะยพ่อแม่ก็ลางงานมาดูแลดูแลลูกใกล้ชิดลูกก็เห็นความรักของพ่อแม่เห็นความรักที่บริสุทธิ์ใจทราบซึ้งมากถ้าไม่ป่วยไม่เห็นนะหลายคนไม่ป่วยก็ไม่ไม่มีความใกล้ชิด ก, กับพ่อแม่ไม่รู้สึกทราบซึ้งในความรักของพ่อแม่อันนี้เป็นเราเป็นคอรอบของคนกรุงเทพก็ได้คือถ้าไม่ป่วยเนี่ย พ่อแม่กบรู้ไม่เคยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่พอป่วยได้ใกล้ชิดกันอ็ศาเนี่ยมันทำให้ค่อได้รู้จักคิดมากขึ้นแล้วก็รู้จักมีเวลาใครควร น, นะกับชีวิตเพราะว่าตอนที่ยังบุ่มตอนที่ยังไม่ยังไม่ป่วยเนะี่ยอ้ยเที่ยวแกบอกถ้าแกไม่ป่วยเป็นมะเร็งนะแกก็คงเหมือนกับเด็กหนุมทั่วไปนอนหอพักนะ ตีสามเข้านอนตื่นบ่ายเนะรียนหนังสือสักพักก็รอเพื่อนชวนไปกินเหล้าเฮฮาแล้วก็เข้าห อ, อพักตีสามถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงจะไม่สนใจคนอื่นนะใช้ชีวิต อ, อย่างประมาทไม่ระมัดระวะัง น, นี้เป็นตัวอย่างคนที่เขาเาพบธรรมะ เมื่อเขาเจ็บป่วยนะความทุกเนี่ยมันทำให้คนหลายคนเนี่ยได้พบธรรมะนะนั่นแปลว่าไปความทุกนินมันก็มีประโยชน์นะความทุกความไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียนะความพัดพราความเจ็บป่วยมีแม่คนหนึ่งเนี่ยนะเธอเล่าว่า อายุก็ประมาณประมาณนี่ยนะเราเมื่อหลายปีก่อนลูกอายุสิบห้าเป็นลูกชายมาขอแม่ว่าอยากไปเรียนอินเดียแม่ก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบตัวเองถ้าไปอินเดียนเนี่ยก็คงจะได้เรียนภาษา ก็เลยอนุญให้ไปลูกไปยินเดียได้สักสามไม่กี่เดือนนะเพราะว่าประสบอัติเหตุไหายน้ําจมน้ําตายแม่เสียใจมากแล้วก็รู้สึกผิดโทษตัวเองว่าเนี่ยทําให้ลูกตายโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายนะเพราะว่าถ้าแม่อนุญาตลูกไปเนี่ยลูกไม่ตายโทษตัวเองว่าเนี่ยฉันน่าจะห้ามลูกนะ เธอก็เรียกว่าเสียศูนย์ไปเลยนะจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยเห็นว่าเพื่อนเห็นว่าเธอไม่ไหวละชวนไปไปปฏิบัติธรรมเธอก็ไม่มีที่พึ่งทางอื่นแล้วไปก็ไปแม้จะไม่เคยคิดจะเข้าวัดเลยได้ฟังธรรมะพระสอนเรื่องว่าคนเราเนี่ยนะมีการเป็นของตน บางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นและทั้งหมดนี้ก็เลืองเรื่องใจเป็นเพราะกรรมของตัวนะเธอก็เริ่มทำใจยอมรับนะความตายได้เพราะเห็นว่าชีวิตมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ว่าของสุขิม์ก็ยังผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการที่เธอได้รู้จักวิธีภาวนาเนี่ยก็คือฝึกให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ มันเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆไม่ต้องผลักไสไม่ต้องกดข่มอันนี้เป็นวิธีจัดการกับอารมณ์นะไม่ว่าอารมณ์โกรธเศร้ารู้สึกผิดสุดท้ายความรู้สึกผิดที่ไม่เคยรบ ก, กวนบางความเธอค่อยหายไปหายไปใจเธอสงบและพบชีวิตใหม่มันเป็นความสุขที่เธอไม่เคยประสบมาก่อนเป็นความสงบเย็น กว่าตอนที่เคยตอนที่ลูกยังมีชีวิตอยู่เธอถึงกับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยขอบคุณความตายของลูกที่ทําให้แม่ได้พบธรรมะเธอพูดกระทั่งว่าเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งคุ้มค่าเพราะทำให้แม่ได้มีชีวิตใหม่สําหรับแม่นี่นะความตายของลูกมันยิ่งใหญ่มากนะมันไม่มีคําว่าเล็กน้อย แต่เธอก็ได้พบสิ่งดีๆที่เกิดจากความตายของลูกและสิ่งดีๆนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่พอที่จะทำให้ความตายของลูกเนี่ยกลายเป็นสิ่งคุ้มค่าได้อันนี้จะพูดตรงไปตรงมาถ้าเธอไม่เสียลูกนะก็คงจะไม่เจอธรรมะอันนี้คือประโยชน์ด้านหนึ่งนะของความสูญเสียความล้มเหลว มีประโยชน์เยอะเลยนะหลายคนกลัวความล้มเหลวเผื่อเรารู้จักโปรเมย์มอานิยาเอเรียน่าจะรู้จักนะถ้ารู้จักรัชนกเนี่ยก็ต้องน่าจะรู้จักโปรเมนะแกได้แชมป์แกได้แชมป์แกได้แชมป์ระดับโลกนี่มาหลายหลายรายการกอล์ฟนะเป็นนักกอล์ฟมือชีพโปรแปลว่า เป็นนักกอล์ฟมืออชีแกดังมากเมื่อปีที่แล้วแต่ก่อนที่แกจะดังนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่แกรประสบความสาเร็จในการเล่นกอล์ฟเนี่ยชวิเธอเนี่ยเคยตกต่ำมีคราหนึงเกือบจะได้เกือบจะได้แชมป์แล้วนะบอกกัว่าไซ น้ำก็ตลอดนะนำตลอดแต่ว่าพอถึงหลุมได้ท้ายเนี่ยแกตื่นเต้นตีผิดนะแกก็พลาดไปแล้วตอนหลังแกก็เรียกว่าตกแบบไม่มีอันดับเลยแต่ว่าการที่แกแกล้มเหลวจากการเล่นกรมเนี่ยมันทำให้แกได้เห็นความผิดพลาด ที่บ้านนี่ไปจ้างเลยนะไปจ้างโค้ดโคนเมือชีอมาโค้เนี่เขาก็ดูการเล่นของแกที่มันผ่านมาที่ล้มเหลวผิดพลาดเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าเวลาเธอเวลาเธอตีชนะเนี่ยนะพอใกล้จะชนะเธอจะเกรงภาษาภาษาภาษากีฬาเรียกวโชว์โชว์คือเกรงเราเ็ยเห็นไหมเห็นคนเล่น เล่นเทนนิสหรือว่าเล่นแดบนิตตันเนี่ยชนะนำไปเยอะแยะเลยแต่พอจะใกล้จะใกล้จะถึงเส้นชัยเนี่ยรากว่าตีไม่ออกตีตตผิดตีพลาดจนกระทั่งคู่แข่งเนี่ยแซงนำไปรัชโนก็เจอแบบนี้เยอะรัชนนชื่อเล่นชื่ออะไรนะน้องเมย์เนยเออเออเมย์เหมือนกันนะแล้วเขาพยายามสอนให้โปรเมย์นี่นะใจเย็น จะสอนเท่าไหร่ไม่ได้ผลนะจนกระทั่งมาสังเกตบางพุทิพิธีนึงที่ช่วยทำให้เธอเนี่ยใจเย็นได้ทำไงทราบไหมฮะ อ, ะอะ่อันนั้นอันนั้นนานไปยิ้มยิ้มเวลาเวล า, เวลาเวลาเธอใกล้ชนน้เนี่นยนะยิ้มเอาไว้การยิ้มทำให้เธอตีช้าลง พอตีเร็วเนี่ยพอเตอไซส์พอเธอไซส์ตีเร็วตีเร็วมันก็ผิดไงการยิมมันทาให้ทําให้เธอในใจเย็นลงแต่พวก ว, วิธีการยิ้มเนี่ยมันเหมาะคนไทยเพราะคนไทยชอบยิ้มได้ผลนะจ้างคนมาเป็นเป็นแสายเป็นล้านนะแนะนําอย่างเดียวคือยิ้ม <c oughs> แล้วพอได้ผลนะเธอก็เธอก็เธอก็ใจเย็นแล้วเธอก็ตีดีขึ้นยกตั้ง ก, การเป็นแชมป์ระดับโลกปีที่แล้วเนี่ยได้แชมป์มาสามรายการติดตดิกันเลย แล้วเธอก็พูดถึงความล้มเหลวเธอบอกเธอบอกว่าเนี่ยเธอโชคดีนะที่ประสบความล้มเหลวเมื่อสามสี่ปีก่อนเพราะว่าคนเราเธอบอกคนเราเนี่ยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ชีวิตมันต้องแย่ทําอะไรไม่สําเร็จและโชคดีที่มันเกิด ข, ขึ้นกับเธอตอนที่เธอยังอายุไม่มากทําให้เธอมีเวลาที่จะที่จะปรับปรุงตัวเอง จนกระทั่งการเป็นแชมป์อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ได้เรียนรู้จับความล้มเหลวมากนะก็คือโจเซฟสกิลลิงสกุลลิงชาวสิงคโปร์เป็นนักว่ายน้ำเขาชนะใครได้นะดูมั้ยปีที่แล้วเนี่ยนักนักฮะนักว่ายน้ำชาวอเมริกันที่ที่ได้เหรียญทองเยอะสุดเลยอ่ะอ่ะอัตมา ลืมชื่อแล้วะมักเอ่อ เ, ออเออฟ ล, เ, ฟลเขาเขาชนะเฟละนะสี่ร้อยเมตรโอ้ยไม่มีใครทําได้นะที่ก็ชนะได้เพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าเมื่อการโอลิมปิกครั้งก่อนเนี่ยเขาร่วมเหลือวไม่เป็นท่าเลยไม่สามารถจะเข้ารอบได้ดซ้ำนะ่า ว, ว่าแต่ชิงแชมป์เลยนะจะจะว่าแต่คือรอบรอบคัดเลือกเขา เ ข, เขาพลาดวันแล้วเขาเจ็ปวดมากนะแล้วเขาเอาบทเรียนนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจให้มีความเขียนมากขึ้นเขาถึงกับพูดว่าความล้มเหลวของเขาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเขาเนี่ยมันทําให้เขาเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของความล้มเหลวนะถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาผ่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆที่เมื่อกี้ทมาพูดมาเนเรื่องมะเรงเรื่อง เสียลูกเนี่ยมันทําให้ได้เจอธรรมะแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นธรรมะเคียวเพียวแต่ว่ามันทําให้ได้ประสบความสําเร็จเพราะเรียนรู้จากความล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์มีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมไว่าเราจะเจอทุกข์เนี่ยเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปปล่อยใจให้มัน จมดิ่งอยู่ในความทุกข์นะลองมองดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างหรือว่ารักษาใจให้ดีถ้ารักษาใจใดีใช้เบีย้ยวจากมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เนืากต่อมาอยากจะแนะนำนะเวลาเจอความทุกข์เจอความไม่สมหวังอย่างแรกที่ทานะ ก็คือรักษาใจให้เป็นปกติหรือว่าอย่าซ้ําเติมตัวเองอันนี้เป็นมินิมัมเลยนะอย่าซ้ําเติมตัวเองเวลาถูกเขาถูกคนดา่านะไอ้ถูกเ้าด่าก็แย่อยู่แล้วนะถ้าใจเราจมอยู่ในความทุกข์นี้แย่หนักเข้าไปอยู่เวลาป่วยเนี่ยก็อยมันป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วย เวลาล้มเหลวเนี่ยนะก็ไม่ให้ล้มเหลวแต่งานแต่ตัวไม่ล้มเหลวสามารถที่จะกลับมาตั้งหลักและประการต่อมาคือใช้ประโยชน์จากมันให้ได้หรือหาประโยชน์จากมันให้ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกเรามีประโยชน์ทั้งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ ถามต่อว่าดาทอมีประโยชน์ถ้ารู้จักมองผู้ก่อตั้งเมืองโบราณนะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทประกันภัยวิริยะประกันภัยเนี่ยคุณเล็กวิริยรพันธ์เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแกเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคล น, นะวันไหนถูกตําหนิวั น, นเป็นมงคล น, นะเพราะว่าคําตําหนิมีประโยชน์ มันทำให้แกเห็นข้อบกพร่องของตัวเองจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างหรือถึงแม้ว่าอาจจะทำดีแล้วแต่คำตำหนิมันก็ช่วยลดอัตตาได้ช่วยลดอัตราได้เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็มัาจะมีแต่คนชื่นชมหรือบางทีก็ประจบประแจงป้อยอจนอาจจะเลิง้ง แล้คนเราถ้าเเหล่งที่ว่าตัวเอเป็นเทวดานี่อันตรายนะอันตรายแต่ถ้าเกิดเ ม, ม่ ต, ตากราฟิกที่เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้เนี่ยมันทําให้เราเรามัดระมัดระวังทาให้เราไม่ประมาทแกจึงบอกว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลนะวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคล มีแม่ชีคนหนึ่งนะวัดทำกลองเพลงของหลวงพ่อหลวง ป, ปู่ขาวอนาลรโยหลวง ป, ปู่ขาวกาา็มรณภาพไปนานแล้วนะยี่สิบสมสบปีแล้วแม่ชีคนนี้ชื่อแม่ชีสาเป็นแม่ชีที่อุปถัมภ์พระเนนดีมากแล้วก็ปฏิบัติธรรมดีด้วยวันหนึ่งเนี่ย หลวงปู่ขาวก็สั่งให้พาสองรูปเนี่ยไปลูกศิษย์ไปด่าแม่ชีสาทั้งสองรูปคงงงกันนะเพราะแม่ชีสา ก, ก็เรียบร้อยแต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องไปไปที่ปุตตี ม, ม่ชีสาแล้วก็เรียนแม่ชีสาวมาเสร็จแล้วก็ด่าเลยนะร ะ, ระดมคำด่าประนาใส่เลยแม่ชีสาที่เราก็งงนะ แต่ได้สติก็พนมมือฟังด้วยความสงบทั้งสองรูปดา่ดาดา่ดาด่าดจนไม่รู้จะด่าอะไรแล้วก็หยุดแม่ชี้สาแทนที่จะโกรธหรือแทนที่จะน้อยใจว่าเนี่ยเราอุตส่าห์ทําดีดูแลพระดูแลเนรไม่มีติดทาไมครูบาอาจารย์มาว่าเราทําไมครูบาอาจารย์เห็นความดีของเราแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขารู้ว่าครูบาอาจารย์ด่าเราจะหน้าไปสู้ว่าที่ไหนหลายคนจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ และถ้ามีนะั้นทุก์เลยนะแต่ไม่ชีสาไม่มีนะไม่คิดแบบนี้ไม่ชีสาก็กลับพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวหมดแล้วเหลือดิอฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงดูดานี่เสียงธรรมะมทั้งนั้นเลยนะข้าวหน้านิมนต์ด่าใหม่นะกิเลสที่ได้หมดสักทีเห็นความฉลาดไม่ชีสาเมื่อหนึ่งแม่ชีสาเนี่ยไม่ทุกข์เพราะคำดา่าคือไม่ซ้ําเติมตัวเองเนะี่ย ไอเราทำดีแล้วแต่ถูกคนด่าเนี่ยแล้วเรามาทุกเนี่ยนะมันเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะทำดีแล้วเนี่ยมามามาม า, ม า, มาทุกเนี่ยนะมันมันถูกที่ไหนสองไม่ขีสารนอกจากไม่ทุกแล้วเนี่ยใช้คำด่าเป็นประโยชน์พื่อใช้คำด่ามาลดละกิเลสขัดเกลารตัว ต, วตว น, น, นคุณฉลาดนะไม่ขีสาจะจบแค่ปอสี่แต่ว่าดึงไม่ซ้ำเติมตัวเอง ยิ่งใครทําไม่ดีกับเราเนี่ยนะแล้วเรามาซ้ำเติมอยู่นี่อัอนนี้เรื่องโง่นะทีนี้เราซ้ำเติมเรื่องบ่อยนะฮะโพสรูปโพสข้อความขึ้นเฟซบุ๊กไม่มีคนกดไลค์ทุกเลย <c oughs> เป็นนะบ้า <c oughs> เด็กๆวัยรุ่นน่ะหรือผู้ใหญ่อ่ะถ้าคนไม่กดไลค์เป็นไงทุกไหมทำไมถึงทุกอะ <c oughs> ใช่ไหม เขาไม่กดก็เป็นเรื่องเขาสิมีคนนึงเพิ่งมาบวชนะแกบอกพอพอพอคนไม่กดไลน์นะคนที่เคยกดไลน์ไม่กดไลน์นะแกจะเริ่มคิดแล้วเอ๊ะเขาไม่ไม่ชอบเราเลยเขาไม่พอใจเราเลยเราทําให้ดีตรงไหนแล้วแกจะจะคอยไปเรียกเรียกเคียงเคียงเพื่อไปดูว่าเขาไม่ชอบเราจริงหรือเปล่า mm hmm. ผู้ชายนะ mm hmm. เขาไม่ชอบเราจริงหรือเปล่า เขมีอะไรไม่ถูกใจไม่เราทำอะไรไม่ถูกใจเพราะไงอย่างนี้ทุกมนะฮะไม่ต้องทําอะไรอะคอยไปเช็คว่าเขาไม่เขาไม่กดไลค์ข้ออะไรนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมอย่างนี้เราซ้ําเติมตัวเองเนี่ยเอาเวลาที่ควรจะมีนะไปขั้งสมาธิไปไปอ่านหนังสือดีกว่าจะไปคอยหาว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่กดไลคนะ์ลูกของเพื่อนบางคนนะจะ ไปไลน์ไปไลน์บอกเพื่อนนะว่าทำไมไม่กดไ like? ลน์นะคือโพส Facebook แล้วเนี่ยนะเขาไม่กดไลน์กับเรื่องขอเขาใช่ไหมเราจะทุกข์ไปทำไมนะอย่าซ้ำเติมตัวเอง น, นี่แค่ไม่กดไลน์นะถ้าเขาว่าด้วยนะถ้าคอมเมนต์ลบๆนะยิ่งเสียสูญนขึ้นไปใหญ่ใช่ไหมอันนี้ซ้ำเติมตัวเองนะฮะอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองมนาะหาทุกข์ใส่ตัว คนเราวันคนเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้ก็ไม่นานอยู่แล้วจะเอาเวลาเนี่ยไปอยู่แบบเอาเวลาไปสร้างความเพื่อนให้กับตัวเองทำไมใช่หมสองรู้จักหาประโยชน์จากมันอะไรเกิดขึ้นของเราเนี่ยมีประโยชน์หามองหาให้เป็นเมื่อปีห้าสี่นะปีห้าสี่เนี่ย เกิดอะไรขึ้นนะน้ําท่วมใหญ่ใช่ไหมก็มีผู้คนสูญเสียทรัพย์สินกันเป็นหมื่ string, mm hmm. เน ench, เป็นแสนเลยมั้งรายบางคนเน <RI hasta S 2> ี <allá> ่ยเสียทรัพย์ไม่พอเสียจริตเสียใจก่อนแล้วเสียจริตเสียจแล้วก็เสียชีวิตเพราะค่าตัวตายแต่พี่บางคนก็ใจเป็นปกติมีคนนึงพูดว่าเนี่ย น้ำท่วมคราวนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เห็นนะว่าไม่มีอะไรทจะเป็นของเราเลยไอ้ของที่เรามี เ, มเป็นของชั่วคราวนั้นแหละแล้ววันดีคืนดีน้ําก็พัดไปน้ําก็ท่วมหรือว่าไฟก็ไหม้หรือว่ามีคนเอาไปเห็นทำเลยฮะน้ะําท่วมมันสอนทำน้ํามันท่วมมันพัดแต่แต่ของแต่ไม่ท่วมใจ คนบางคนเนี่ยนะน้าท่วมของไมพอนะท่วมใจด้วยนี่เราซ้าเติมตัวเองแต่บางคนหาประโยชน์จากมันว่าเออเข้ามาสอนธรรมให้กับเรานะเสียของนี่นะมีเงินก็หาใหม่ได้แต่ธรรมะหรือปัญญาเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็หาหาซื้อไม่ได้นะฮะแล้วถ้าคุณมีแล้วเนี่ยต่อไปเจอสูงเสียมากกว่า น, นี้ คุณก็ทำใจได้เพราะคุณได้เห็นแล้วว่าเออไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยผู้ชายคนหนึ่งนะแกชื่อดำรจเป็นช่างไฟอายุของประมาณรักสามสิบวันดีคืนดีไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้านีมันไปถูกไปผ้าที่ที่ขาต้องตัดขาที่การตลอดชีวิต แทนนี้ก็หนักแล้วนะวันดีคืนดีไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาก็ทิ้งถ้าเป็นเราเนี่ยเราทุกงสูงงานโอหข้อซ้ำคำซัดนะมีคนแปลกแต่คนแต่เขากับวางใจได้ได้ดีมากมีคนไปถามว่าคุณรู้สึกไ ง, งที่ภรรยาทิ้งคุณไปดอมบิตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยก็ขนาดขาสองข้างมันยังไม่อยู่กับผมเลย แล้เจ้เมียอยู่กับผมได้ยังไงตอนที่แกเสียขาเนี่ยนะถ้าใครวางใจไม่ถูกนะจะซ้ำเติมตัวเองเสียทั้งขาเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าดำรีในแกเห็นเลยนะว่าการที่เสียขาทำไมแกได้เห็นธรรมะเห็นความจริงว่าขาไม่ใช่ของเรา ที่จริงไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไอ้ขานี่มันอยู่กับเรามาจากแต่เกิดนะวันดีคืนดีมันก็ไปแต่ถ้าไม่ยอมให้มันไปนะเกิดปัญหานะขาเน่าแล้วไม่ยอมให้ไม่ยอมตัดขาเนี่ยเป็นไงตายไหตายต้องยอมปล่อยต้องยอมวางต้องยอมปล่อยหรือตัดขาทิ้งเพื่อรักษาชีวิตแต่แกไม่ใช่แค่ได้ชีวิต ไม่ใช่แค่รักษาชีวิตเท่านั้นนะแต่ว่แกได้ธรรมะเลยว่าเออมไม่มีอะไรของเราเลยไอ้ขานี่มันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดวันที่คืนนี้ก็ไปบังคับไม่ได้พอแกเห็นอย่างนี้นะถึงเวลามีอะทิ้งนะแกก็เฉยแล้วใช่มเพรไอ้สิ่งที่ควรจะอยู่กับเราเนี่ยนะคนที่เป็นของเรานี่คือขามันยังไม่ไม่ใช่ของเราเลยได้เมีอเป็นของเราได้อย่างไรแกไม่เสียใจนี่เรียกว่าหาประโยชน์จาก ความทุกข์ได้ประโยชน์จากความสูญเสียคือเสียขาอีกคนนึงก็น่าทึ่งนะแต่ว่าชีวิตเธอก็เรียกว่าเจ็บปวดพอดูเธอชื่อเคก้กตอนเป็นตั้งสาปีสามเธอได้เป็นดาวมาเธอไร น, นะสวยเธอได้เชิญได้ชวนไปเป็นพิตตี้ลายได้พิเศษสมัยก่อนพริตตี้เมื่อสักจ็ปีก่อนพิตตี้ก็ไม่ได้แต่งตัววเวกชว่าเหมือนสมัยนี้นะ สมัยนั้นเนี่ยเธอเป็นรู้จักผู้ชายคนทางโซเชียลมีเดียแต่ไม่ใช่ Facebook นะ Facebook ยังไม่ดังปี52นะมันมีแล้วแต่ยังไม่ดังผู้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นคงเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นหน้าเธอเห็นภาพเธอก็เกิดหลงรักแล้ววันหนึ่งก็ น, นัดเจอกันแต่พอผู้ชายรู้ว่าเธอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้รักเขาอย่างที่เขาคิด ผู้ชายก็โกรธอาว่าเธอไปหลอกเขาผู้ชายโกรธทํายังไงนะฮนะไม่ใช่แค่ดานะอน้ํำกรดสาดมันเป็นแมนมากเลยนะน้ํำกรดสาดเนี่ยเสียโฉมทั้งใบหน้าตาบอดไปข้า ง, นงคนที่เคยให้คุณค่ากับความสวยความงามน ะ, นะะบางคนบางคนที่แค่เป็นสิวเนี่ยยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนี่เสียโฉมไปเลยนะ คิดยังไงอยากฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แต่คิดถึงแม่ก็เลยตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าพอแม่บอกว่าขอย้ายไปอยู่ที่อื่นอายที่คนที่เคยเห็นเธอสวยงามเนี่ยจะมาพบเธอในในสภาพในรูปรักษในรูปรักษ์ใหม่เธออายนะที่ยังไม่ได้ความเยี่งเธอเลยผ่านไปสามสี่ปีนะบอกว่า เธอความคิดเธอเปลี่ยนเธอสามารถจะใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเคยทุกวันก็ไปทา ง, งานเป็นพนักงาน call c เ, เตอร์ที่ธนาคารแห่งหนึ่งทุกเชา้าก็นั่งรถไฟฟ้าเธอก็ไม่ปิดบังหน้าตานะมีคนทักว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอก็ตอบว่าถูกต้องแล้วค่ะคือพูดด้วย ความรู้สึกไม่อายไม่รู้สึกอับอายที่มีคนรู้จักเธอแบบนั้นเพราะว่าเธอเคยออกรายการโทรทัศน์คนก็คงจำเธอได้มีคนถามเธอว่าเธอรู้สึกโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่สารน้ำโกรดใส่เธอบอกเธอไม่โกรธเลยเธอให้ภัยเขาแถมเธอบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์คั้งนั้นเนี่ย คืออยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นขอบคุณพ่ออะไรหนึ่งมันทำให้เธอได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นถ้าเธอสวยเหมือนเดิมเธอก็คงจะหลงไปตามแสงสีไม่เคยได้อยู่ติดบ้านเท่าไหร่แต่ที่สำคัญกว่าคือข้อสองเธอบอกว่าเหตุการณ์นั้นทาให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทาให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอบอกเธอปกติเวลาทาอะไรก็จะ ปล่อยวางไม่ได้จะยึดติดมากเลยแล้วก็ทุกเพราะเหตุ น, นั้นแต่การที่ถูกต้องประสารหน้าจนเสฉวช ม, มันทำให้เธอได้ได้รู้เลยว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุเธอใช่ว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุหมายความว่าความสวยความงามเธอก็มีวันหมดอายุถ้าเธอไม่เกิดเหตุการณ์นั้นถึงเวลาที่เธอแก่มันก็ต้องไปความสวยงามแต่การที่มันเกิดขึ้นกับเธอก่อนเนี่ยมันทาให้เธอปล่อยวางได้ แ้วพอเธอปล่อยวางเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องอื่นมันก็เธอก็ปล่อยวางนะใครจะพูดอะไรกับถึงเธอยังไงใครจะนินทานหน้าตาเธอไงเธอไม่ทุกข์ละเพราะเธอปล่อยวางได้แล้วเธอก็มีความสุขกว่าเดิม น, นะอันนี้เราว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเจอธรรมะแบบหนึ่งนะเธอจะไม่เธอจะนะไม่ได้พบธรรมะว่าทุกอย่างรวมอายุ จะไม่รู้จักปล่อยวางถ้าว่าเธอไม่เจอเหตุการณ์นี้แค่สนะมาพูดมานี่เป็นเรื่องคนธรรมดาเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของพระ อ, อริยเจ้า<ม>ซึ่งก็มีอีกมากมายนะที่บรรลุ ธ, ธรรมได้เพเจอทุกนะ<ม>ถูกเสือกัดตายบ้างถูกไฟครอบตายบ้างนะพวกนี้ก็บรรลุ ธ, ธรรมได้เจ็บป่วยดย<ม>้วยโรคที่สังคมรังเกียจ<ม>แล้วก็บรรลุ ธ, ธรรม แต่ว่าถ้ามาพูดถึงคนธรรมดานะเพื่อให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์นะที่จะพบทําได้เมื่อเจอทุกขนะ์ก็ฝากเอาไว้นะเพราะว่าคนเรานะ่ะมันต้องเจอนะไม่ว่าจะรวยแค่ไหนไม่ว่าจะดูแลเนื้อตัวดีอย่างไรระมัดระวังแค่ไหนนะมันก็อาจจะเกิดอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เช่นจะบป่วย สูญเสียนะผิดหวังถ้าเราจะรอแต่ว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราขอให้เรา ส, สมหวังตลอดเวลาขอให้มีขอให้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีเนี่ยขอได้หวังได้แต่ว่ามันไม่มีทางเป็นจริงหรอกเพราะไม่มีใครเนี่ยจะเจอสิ่งดีๆสมหวังได้ตลอดบางครั้งก็ต้องเจอคำว่าไม่มีบางครั้งต้องเจอคำว่าหมด เพราะว่ามีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันเจอกับจากเป็นของคู่กันมีพวบก็ต้องมีพลาดนะมีเจอก็ต้องมีจากเหมือนกับมีเกิดก็ต้องมีตายหนุ่มสาวกับความแก่มันก็มาด้วยกันนั่นจะรอแต่สิ่งที่ดีให้ความหนุ่มสาวเป็นอมตะ ให้สุขภาพของเรายั่งยืนไปตลอดนะให้เรามีแต่คาว่าให้เราประสบแต่คาว่ามีมีมีมีหรือรวยรวยรวยเนี่ยมันไม่ได้ตลอดนะมันก็ต้องมีต้องเจอความพัดพลาดบ้างแล้วถามว่าเราเตรียมใจไว้บ้างหรือเปล่าเราเตรียมใจไว้กับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมถ้ายังไม่เจอก็ดีแล้วแต่ว่าเตรียมใจไว้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเรา อย่างน้อยเราไม่เรารักษาใจให้ไม่ทุกข์เราไม่ซ้ำเติมตัวเองและทำให้ดีมากกว่านะั้นคือว่าหาประโยชน์จากมันให้ได้เพื่อทำให้เราได้พบทรรอันประเสริฐพบกับสุขที่ประณีตและก็พอสมควรกับเวลาแล้วนะเผื่อว่าใครอาจจะสงสัยสักถามก็ขอเชิญ ความสุดตัวเกิดขึ้นให้ความผ่อนคลายได้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเริ่มต้นที่ศีรษะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนไปหน้าคงเหลืเพียงรอยยืดมมน้อยรู้สึกความผ่อนคลายที่เป้นคอบัไหล่ลแขนและมือทั้งสองข้าง ให้ความผ่อนคลายไล่ลงมาที่หน้า อ, อกช่องท้องต้นขาหน้าแข้งถึงปลายเท้าหายใจสบายๆนอนติตผัสที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกรับรู้สบายๆอาจจะรับรู้ลมหายใจที่กระทบปลายจมูก หนังสืองลมหายใจที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในร่างกายของเราก่อนที่จะออกไปสู่โลกภายนอกวางความคิดต่างๆลงชั่วคราวเรื่องราวที่เราได้ได้ฟังมาตั้งแต่ชาจิตึกถึวันสักรู่ก็ขอยวางเอาไว้ก่อนมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็คอยวางเอาไว้ ตอนนี้เรามีกิจนัดหมายจะไปที่ไหนจะพาครอบครัวไปทำอะไรก็คอยวางาไว้ก่อนเพราะมันเป็นอนาคตจึงไม่เกิดขึ้นให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันรับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกรับรู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่เป็นการรับรู้ด้วยใจโดยไม่ต้องใช้ความคิดแต่หากว่ามีความคิดใดเกิดขึ้น ไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็ช่างมันไม่ต้องไปบังคับจิตให้หยุดคิดไม่ต้องไปพักสายกดข่มความคิดใดงสิน้นแค่รู้ทันว่ามันเกิดขึ้นก็พอแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกคือรู้สึกถึงลมที่สัมผัส ถึเคื่อนในร่างกายเราแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมไปพร้อมกันไอ้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับกายอยู่กับตัวเราเพราะเรามักจะปล่อยใจไปอยู่กับสิ่งนอกตัวไม่ว่าตลอดทั้งวันหรือตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้จนบางทีเราลืมลมหายใจของเราเราลืมเนื้อลืมตัวเราลืมกาย เราลืมปัจจุบันในช่วงเลาสั้นๆในช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่ปล่อยใจไหลแฝงนามคนไม่ปล่อยให้จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันรับรูกลมหายใจที่เข้าและออกรับลู้กายที่กำลังนั่งอยู่ด้วยจิตที่สํารวมสงบ และป่อนคลาย แกเวลานะค่อยค่อยเลือตาขึ้นมาแบิซาวามีทน ไม่ดี ข้างคุณพระเศวตตนาตรายอำเนวยออวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนัสุขภรละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้สุงพร้อมทั้งประโยชน์ท่านและกประโยชน์ตนฝึกฝนจิตใจให้มีทั้งสมาธิและปัญญาสามารถพาชีวิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอด เตรียมปวดน้ามันปวดในใจก็ได้นะเยธาวาริวหาอุราปริภูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปกปพติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะัสมิชตุสเพบูเรตุสังกปาจันโทปันนารโสเยธามดติโชเตระโสเยธาสัพพีติโยวิวาชันโ สัพโรโควินาสตุมัเตห์ภวัตวันตารายอสุขีธีกายกุโกภวาอภิวาทนาสิลิสันติจังวุทธาปจายิโนจตารโธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังขอบคุทุกท่านกราบพระอาจารย์รของทางสากลนะครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะวันที่สิบ 1ิมิถุนาเดือนหน้าจะมีรายการจัดที่ศูนศิริกิตนะนยนศิริกิตชื่อว่า Happy Death Day Day ทั้งวันเลยเลยอ่อก็จะมีกิจกรรมหลากหลายทั้งบนเวทีทั้งการอบรมการสัมมนาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราได้มา เรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายนะอย่างสงบ Happy Death Day เนี่ยตมาว่าดีกว่า Happy Birthday นะเ mm hmm. มือ่อเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คนก็มา Happy Birthday ก็ตมาตมาบอกว่าบอกว่าเนี่ยมา Happy Death Day ดีกว่า mm hmm. Happy Death Day เ <laughs> พราะว่า Happy Birthday นี่นะเรามีความสุขวันนี้ไม่ได้แปลว่า พรุ่งนี้จะมีความสุขแต่ว่าแต่แฮปปี้เดยเดย์ถ้าเราตายยังมีความสุขวันนี้นะมันก็ไปสุขตนะิไปชาติหน้าที่ดีมันสงน่งผลถึงชาติหน้าอีกอย่างหนึ่งวันเกิดเราเนี่ยถ้าเราไม่แฮปปี้นะมันก็แค่เบื่อแค่เซ็งใช่หมหรือว่าอาจจะมีวิกกังวนเครียดแต่ถ้าวันที่เราตายเนี่ยถ้าเราไม่แฮปปี้นะ มันจะติดลงไปเลยมันจะทุรนทุรายมันจะทุรนทุรายเพราะความปวดทางกายนี่มันยากที่จะทนทานและแผลป่วยปวดทุกใจด้วยงนั้นเดิมพันมันสูงกว่านะเอ่ระหว่างวันเกิดกับวันตายเนี่ยแฮปปี้วันตายเนี่ยอันนี้ส่งมันเยอะกว่าแฮปปี้วันเกิดมากทีเดียวดังนัอนตมาลึบอกว่าเนี่ยถ้าจะอวยพรตมาบอกบอกคนที่มาอวยพรว่าถ้าจะมาแฮปปี้บัดเดย์ก็แฮปปี้เดทเดย์ดีกว่านะ อ่าแล้วก็ข อ, อขอบระคุณพระอาจารย์เปนอย่างสุงนะค ร, งนรนครับแล้วก็ตอนจบงานแสดงก็ขอบพอารนะครับ